เจ๋อเวลาเช่นความโกรธความหลงก็ยังอยู่กับความหลงความโกรธข้ามวันข้ามคืนเดี๋ยว่าทําให้ไม่ดีไป จ, จมไปติดเอาแล้วทําทให้มันดีแล้วก็เปลี่ยนได้ให้มีการกระทําตรงนี้ให้มีความเพียรตรงนี้เล็กหน่อย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 ใจบริสุทธิ์ก็สะอาดหมดจดไม่คงสานตาก็สงบหงูก็สงบรูปรสจินเสียงก็สงบเหมือนมันแจกล้าไม่หวั่นไหวต่าไม้ที่มันแจกร่าเดินห้องขาคนที่ข้องเคือเขาเถาวันก็ต้องหกล้มแล้วไหนมันอ่อนมันก็ขาดง่าย ตาเห็นรูปไม่หลุดไปง่ายมั่นคงตรงนั้นได้หูได้ยินเสียงไม่หลุดไปง่ายไม่ได้ปีนดีไม่ได้ไปีนไล่มีปัญญาตรงนั้นด้วยวามไม่งอแนก่อนเชีคนามไม่หวั่นไหวก็เป็นเถึ่พึ่งของชีวิตได้ชีวิตที่มั่นคงเกิดขึ้นได้จนเห็นความทุกข์ก็มไม่หวั่นไหวในความทุกข์เห็นความสุขก็มไม่หวั่นไหวในความสุข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 แต่ต้องเป็นมักเป็นผลแน่นอนอนะแตติมันตั้งอยู่ได้นานอยู่อดีตทดายเหมือนเราปลูกต้นไม้ตั้งอยู่นานในท่าไหนเพียงไรได้ที่ได้ทางหมายไม่ใช่ปลูกข้าวใส่พลันหินสตติมันไม่อยู่ในกายไม่ใช่หินกายมันก็มีศีลอยู่ที่นี่ด้วย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 วางบนหิ้งมันเป็นประโยชน์ต่อกายมีความสุขมีทรับได้ซับภายนอกภายในมีได้แต่ เ, เลยเป็นดัมไบมุกไม่ประกอบก็มีเินมนทำไม่ลงกลมชั่วทำไม่ได้คนสวยงามทำอะไรสกปรกปำแแมมไม่ได้เหมือนเครื่องสกปรกติดผ้าให้อยู่นานไม่ได้ต้องซักออก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 เป็นประโยชน์ดังบราณทัดว่าสิบปีอาบน้ำบัวหนาวสาวปีเล่นเสาเล่นเบาไม่เบื่อสามสิบปีลาเมียก่อนไก่สี่สิบปีไปไดนามาทอดคุยห้าสิบปีเป่าคุยโบก้องตีกล้องห่วดังตีละครหมงมนห้าสิบปีล่ะสู้เสือทุกข่า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 ตราลองดูไปเรือ่อยๆพอออกเห็นท่าไปไหวมันบินมีเบีนเบียนลุกออกพอลุกออกวินเวียนเลยแค่นอนก็วินเวียนโอ้ขยดหลาบแล้วมันไม่เอาเป่าคุยบวก้องตีกล้องบวดังตรีระฆังบวมวนไม่เคยเปิดเทปไม่เคยฟังข่าวไม่เคยเป็นนั่งจอต่อหน้าทีวีโทรทัศน์นานมาแล้ว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 พันแล้วก็พันโบทมันออกไปถอนทิ้งไม่ได้โร่นนะถอนทิ้งไปนั้นปวดนั่นอยากไปทางพันอยู่ถ้าอยู่สุกโตก็ไม่ต้องทําไม่เพื่อนฉันอิมได้อาหารก็ข้าต้มไปฉันข้าวสวยเนี่ยยิ่งไม่ไหวเลยฝันตาก็เหมือนกันแล้วก็หมดไปแล้วหูก็หมดไปแล้ว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 นั่นแหละขอบคนของจนทาเราเชื่อมแข่งตะทวงจนทำเราอ่อนเออเจเลยก็ไม่ของจนทําเราเชืชเอ่ อ, ม, อมแข่งทำเราเป็นคนดีได้เวลาไปเที่ยวกับหมเป็นหนุ่มเขาเจเลยเขาก็มีพ่อมีแม่มีพ่อตอนหน้าเขาดีกว่าเราเราจะไปเจเลยเหมือนเขาไม่ได้พ่อเราก็ไม่มี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 เดี๋ยวนี้มันไม่มีกันแล้วมันไกลกันออกไปมันก็ยิ่งเถื่อนเอาไปถ้าเราไม่มีทำมาแล้วนะสิ่งแวดล้อมมันไม่ค่อยดีจึงไม่ควรประมาทขอท่าทายไว้มานี่เถอะพวกเราห้อยมาศึกษาชีวิตจริงๆมาจะเห็นอดทุกอย่างถ้ามีสติดูกายดูจิต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 ปฏิบัติตรงตรงนีนปฏิปัติออกจากทุกตรงนีนปฏิบัติสมพวรตรงไหนมีเหลี่ยมยกมาไหวตัวเองได้คุ่มฆ่ากับชีวิตที่เกิดมา